มีอาม่าคนหนึ่งนะอายุประมาณสักเจ็ดสิบกว่ารูปชายนี่ขายก๋วยเตี๋ยวอาม่านี่ก็ช่วยลูกชายนะทุกวันเลยเอาก๋วยเตี๋ยวไปส่งลูกค้านะซึ่งอยู่ตามละแวกบ้านวันหนึ่งก็ไปสองเที่ยวนะทีแรกก็ไปส่งก๋วยเตี๋ยวนะตอนหลังก็ไปรับเอาจานชามกลับมาแล้คิดเงินด้วยบางคนก็อ่นะ จ่ายเป็นรายมือ้มอบางครก็จ่ายเป็นรายอาทิตย์ก็ต้องทําบัญชีนะว่าใครสั่งอะไรติดเงินเท่าไหรนะ่อาทิตย์หนึ่งก็มาเรียกเก็บเงินอแกก็ต้องทําบัญชีแล้วก็ก็ทําเงี้ยทุกวันเป็นสิบปีแล้วนะหอยี่สิบปีก็ได้แล้วแกก็มีความสุขนะนอกจากได้ช่วยลูกแล้วก็ได้มโอกาส เจอเพื่อนบ้านได้ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็สุขภาพก็ดีนะไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ตอนหลังเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยก็มาทักลูกชายว่าเนี่ยแม่ลือเนี่ยแก่แล้วนะควรจะเกษียณได้แล้วละนะเขาเลี้ยงเจ้านี่มานานแล้วนะตอนนี้ก็ให้เขาได้พักบ้าง อย่าไปใช้งานเข้ามากนะถึงเวลาที่เขาจะต้องกเกษียณแล้วล่ะเจอเพื่อนบ้านนี่ทักแบบนี้บ่อยๆเนี่ยลูกชายเนี่ยก็เลยบอกแม่ว่าเนี่ยต่อไปนี้แม่พักงานได้แล้วนะอยู่บ้านนะพักผ่อนดูทรัศทนะ์นไม่ต้องออกไปทำงานนะอีกต่อไป อา마่ที่แรกแกก็ไม่ค่อยยอมนะแต่ว่าลูกชายรบเร้ามากๆแกก็เลยหยุดทำกิจวัตรที่เคยทำก็อยู่บ้านเดือนแรกๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแค่ปวดเมื่อยนิดหน่อยนะตัวอา่เนี่ยแต่ตอนหลังเนี่ยก็เริ่มปวดหลังแล้วเพราะว่านั่งทั้งวันนะดูโทรทัศน์ดูแล้วดูอีกนะ แล้วพอผ่านไปเป็นปีเนี่ยก็เริ่มปวดไม่ใช่แค่ปวดหลังเดียนะปวดขาเริ่มขยับขยื่นเดินลําบากพอถึงปีที่สองนี่ก็าบอกว่าเดินไม่ค่อยได้แล้วไปหาหมอหมอ ก, ก็บอกว่าในกล้ามเนื้อนี่อ่อนกําลังนะไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงแล้วยวไม่นับปวดนั่นปวดนี่อีกนะแล้วผ่านไปเนี่ยไม่ถึงสามปีเลย อมาม่าแกนนก็ป่วยก่อนน้นนี่แกก็เปิดกระสอกระแสแล้วนะแต่คนนี้ป่วยหนักนะจนกระทั่งต้องนอนติดเตียงลุกขึ้นลำบากแล้วต้องใส่แผ่พัสนะลูกสาวนี่ก็ต้องลางงานนะมาดูแลแม่คอยพลิกตัวแม่ผู้เป็นแม่เนี่ยสุดท้ายนะก็ตายนะเพราะว่าเอาไป ต, ต่างๆนี่มันล่มเหลวหมดนะ จากที่นอนติดเตียงคนที่เขาเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าว่ายังปล่อยให้อมาม่านี่ได้ออกไปช่วยลูกชายนะไปส่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปเก็บเงินเนี่ยป่านนี้ก็คงจะยังสุขภาพดีอยู่นะแต่นี่พอหยุดทำงานเนี่ย ูกับบ้านนี่ร่างกายนี่ซุดเลยนะพราะอะไรนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ค่อยได้ใช่ร่างกายอีกอย่างนึงคือว่าไม่ค่อยได้ใช้สมองด้วยนะตอนไปช่วยงานลูกชายนี่ก็ต้องคิดบัญชีนะใครจ่ายเท่าไหร่ใครเชื่อเท่าไหร่เนี่ยก็ได้ใช้สมองสมองก็ ได้ทำงานร่างกายก็กระฉับกระเฉงและมันไม่ใช่สุขภาพดีอย่างเดียวนะจิตใจก็ดีด้วยเพราะว่าได้ไปทักทายผู้คนนะได้เจอเพื่อนบ้านและที่สมาัญก็คือรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอันนี้คือสิ่งที่ผู้ที่เป็นลูกเนี่ยไม่ค่อยได้ตันหนักเท่าไหร่บางคนเนี่ย เห็นแม่เนี่ยขายของชําขายมาตั้งแต่ลูกยังเล็กจนลูกนี่ยทำงานมีไรายได้ดีแม่ก็ยังทําอยู่แล้วก็ของที่ขายมันก็ได้กําไรไม่ไม่เท่าไหร่ขายขนมขายของได้กําไรเช่นละบาทสองบาทตัวเองก็รวยแล้วบอกแม่ว่าหยุดขายได้แล้วไม่คุ้มหรอกนะ ขายได้กำไรแค่ชินละบาทสองบาทไม่คุ้มหรอกลูกเลี้ยงแม่เองไอ้แบบนี้นี่ก็ถ้าว่าแม่ไม่ได้ขายของนะร่างกายก็จะสุดเร็วเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ทำงานไม่ได้ใช้สมองไอ้การอยู่ว่างๆเปล่าๆนี่มันสหรับคนแก่แล้วนี่มั น, น, มนไม่ได้เป็นผลดีเลยนะแม้ว่า คนที่เป็นลูกคิดว่าเออแม่สบายแล้วพ่อสบายแล้วไม่ต้องทํางานแต่ความสบายบางอย่างนี่ระยะย า, ยาวเกิดโทษนะเดียว่าแต่คนแก่เลยคนหนุ่มคนสาวถ้าเอาแต่นั่งๆันอนนนี่สุดท้ายก็ป่วยด้วยโรคนั้นโรคนี้นะโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคอ้วนบางคนพ่อแม่นี่ก็ไม่ได้ค้าขายอะไรนะแต่ว่าช่วยงานบ้านเดีย๋ยว่าคนที่เป็นแม่ช่วยงานบ้าน เก็บกวาดบ้านบางทีก็ไม่ใช่ทํางารเดียวนะซักผ้าด้วยลูกเห็นแม่ลําบากก็ซื้อเครื่องซักผ้าให้แต่ว่าแม่ก็ยังซักด้วยมือบอกว่าแม่เนี่ยหยุดซักผ้าได้แล้วอุตส่าห์ซื้อเครื่องซักผ้ามาซื้อมาราคาแพงไม่คุ้มเลยหารูปไม่นะไอาการซักผ้าเนี่ยมันทำให้แม่นี่ได้ใช้แรงได้ใช้ร่างกายได้ใช้อวัยวะปลดวัดใจ ถ้าทำไทำงานไม่หักโหมนี่สุขภาพดีอายุยืนนะจิตใจก็ดีด้วยเพราะสุก่าทำตัวมีประโยชน์แต่คนที่เป็นูกเนี่ไม่ค่อยเข้าใจนะไปเห็นว่าการทำงานนี่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะทำให้ไม่มีความสุขแต่ที่จริงมันคือความสุขของเขาบางคนก็สงสารแม่น ะ, ะจ้างคนงานมาทำงานบ้านแทนแม่ ที่ว่าจะให้แม่ได้พักผ่อนนะว่าควรห้แม่ป่วยในเร็ววันเลยถ้าหากว่าไม่ได้ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเกษียณเนี่ยนะหรือว่าการให้พ่อแม่หยุดงานนี่บางทีเป็นดาบสองคมนะไม่เข้าใจาว่าการที่คนแก่เขาได้ทํางานมีประโยชน์อย่างไรบ้างคนแก่ในชนบทเนี่ยนะเขามีความสุขนะเพราะเขาได้ทํางานได้เลี้ยงหลานนะแล้วก็ได้ สารกระ บ, บุงตักกาไม่ได้อยู่เปล่าๆนั่งว่างๆดูโทรทัศน์ไอ้แบบนั้นน่ยมันทําให้ชีวิตนี่ว่างเปล่านะพออยู่เปล่าๆก า, าชีวิตก็ว่างเปล่าว่างเปล่านี่ก็บางทีก็เกิดรู้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณค่าวันวตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรมันไร้เป้าหมายคนเราถ้ารู้สึกว่าชีวิตมันไร้เป้าหมายไม่มีคุณค่านะว่ามันบั่นทอนสุขภาพทั้งกายและใจมากเลย แลนี่คือชะตากรรมของคนแก่สมัยนี้นะซึ่งเกิดจากความหวังดีของลูกนะแต่เอาความหวังดีของลูกนี่ไปไปคร่อมงำนะหรือว่าไปาไปกำกับชีวิตความมีอยู่ของพ่อแม่โดยพ่อคนที่เป็นแม่หวังดีกับเขาแต่ทําให้เขานีา่สุขภาพอ่อนแอแล้วบางทีก็ตายเร็วขึ้นนะเราก็เตรียมรับพร